มันแรกก็เดินพฤธีกายโยนสาหรั บ, บการเรียกรรมาฐานโดยทั่วไปอันแรกก็มีการธรรมรมเหมือนกันทุกอย่างนั่นคือตอนแรกรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ให้ใจออก หรือว่าถ้าให้ายละเอียดไปนิดหนึ่งถ้าจิตใจเริ่มสบายขึ้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบเองอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ไม่ใช่ของง่ายนักบางทีจะคิดว่ากรรมาฐานนี่ทําง่ายๆได้เกิน การรู้ลมเข้ารู้ลมออกเปอนาปานุสติบางทีอารมณ์ก็เผื่อพอรู้ลมเข้าบ้างรู้ลมออกบ้างบางทีอารมณ์ก็เผื่อไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทนถ้าอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกถ้าเรารู้ตัวว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มต้นสมัยถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ของอันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเพิ่งตำหนิตัวเองว่าใช้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ ว่าความฟุ้งซ่านของจิตมีมานานแล้วรวมความว่ามีมาเป็นอสงไข์กับกับจิตของเราตอนนี้มารยาณนี้เราจะมาคับไปจิตทรงตัวมีรมแน่วแน่อันนี้ยังเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าเวลานี้เป็นเวลาฝึกเมื่อทําไปนานๆก็จงอย่าคิดว่านี่เป็นชานที่หนึ่งที่สองที่สาม ถ้ามีอาการคิดอย่างนี้คิดว่าวันนี้เราได้ชาตที่หนึ่งทุกนี้ต้องการชาติที่สองมรินต้องการชาติที่สามถ้าคิดอย่างนี้ทำาเอิญจิตทําไม่ถึงจะมีความกลุ่มเสียผลดะ <c oughs> งนั้นการเจริญพุทธกรรมาฐานกัมมันดาท่านพุทธไวสัตยให้ถืออารมณ์สบายเป็นเกณฑ์ถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมไม่ใจออกรู้เข้าก็ตาม ในช่วงนั้นถ้าต้องการภาวนาก็ภาวนาไปด้วยสำหรับคำภาวนานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่บังคับอารมณ์ท่านผู้ใดมีการคล่องในการภาวนาแบบไหนทำตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนถ้าหาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่เคยภาวนามาเลยพระโบราณอาจารย์หลายสอนให้ภาวนาว่าพุทโธ ก็คําว่าพุทธโธเป็นพุทธานปุปัตติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอาลิสงฆ์มากให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนูน้ดโธถาย ใ, ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนูน้ดโธสักว่าเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็เผือไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทนอันนี้ถือเป็นของธรรมดาแต่หากว่าเรารู้ตัวก็เริ่มกลับใหม่มาจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึ ก, ออ ก, นกพุทธใจออกนูนโธไปใหม่ ทมอย่างนี้สลับกันกับประมพุ่งสาน้นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าขาณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยคนที่ได้สมาธิเล็กน้อยบรรดาแา่พุทธบริษัทยาคิดว่าอริสง์ไม่สูงคือว่าการได้บุญของในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็มีสามอย่างคือหนึ่งทานสองศีลสามเจริญภาวนา การจเจริญภาวนาเ น, นื่องแม้จะมีเนื่องจะทําได้เพียงเล็กน้อยใช้วเวลาไม่นานนักพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็หายไปถ้ารู้ตัวมาก็เริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่นี้เป็นต้นอย่างนีงเ้เสวะขานิกะสมาธิถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติถึงขณิกะสมาธิทุกๆกวันผลจะไปยังไงอาจะมาจะเล่าเรื่องให้ฟังทั้งเรื่องดีไหม ดีแล้วยังไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรพอดีแล้วใช้ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ขุนพลอยพยักนะร้อยพร้อมใจฟังใช่ไหมถ <laughs> ้าขุนพลอยพยักก็ต้องถือว่าพูดผิดพูดถูกก็รับแต่พืต่เพื่อก <HH> ็เป็นว่ามาเที่ยวนี้นะอาตมา ร, ร่างกายไม่ดีมากก่อนจะมาสองวันร่างกายป่วยสุดหนักเมื่อวานเดินทางมาก็รู้สึกว่ายำแย่ ญาติโยมคิดว่าเวลาพูดท่าทางดีนี่ความจริงไม่ดีอ่ะใช่ไห <c oughs> มแต่พูดเสียงไม่สั่นกระบนตัวใจะจะเป็นหน่อยหน่อยมาวันนี้ยก็ในเมื่อความตายมันใกล้เข้ามาก็ขอเล่าเรื่องความตายสู่กันฟังดีไหมคือว่าเปอาการของกาิกฉาสมาธิในทั้งหมดก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องมัณฑิตกุณลีเทพบุตรถ้าจะมีสมาธิขั้นต้นแค่คณิกาสมาธิ แล้วก็มีหลายๆท่านเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัะเจุ้ณดลีเทพประบทุท่านไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาก่อนคือไม่นับถือมาก่อนแต่ว่าเวลาก่อนจะตายป่วยหนักไม่มีอะไรจะช่วยได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตามคําเล่าลือความจริงบ้านนี้เวลาพระเจ้าบิณฑบาตจะไปที่เมืองนั้นผ่านหน้าบ้านทุกวันแม้แต่มือเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้ บา่ายก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังแต่ว่าพอเวลาใกล้จะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าขอมาช่วยหายป่วยก็บรลิบเบินตายเป็นทิศในขณะนั้นเพียงแค่นึกถึงที่องค์สมเด็จพระพักวัรก็ปรากฏว่าอนิสงส์เป็นเหตุไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคำบินที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคือไม่มีเครื่องประดับ ยังมีนามว่ามัตตคุณลีเทพบุตรแลลว่าถ้าเทพบุตรมีต่างหูเกลียงนี่เป็นเรื่องในธรรมบทตอนนี้อามาจะเล่าเรื่องที่เคยสัมผัสมาเองให้ฟังเคยรับทราบรับฟังมาบอกว่าคนที่ภาวนาว่าพุทธโธหรืออะไรหางเวลานั้นแต่แต่ตามต้นบนนั้นขันยมภาวนาสองอย่างพุทธโธบ้างอหังบางแต่ความจริงคำภาวนาว่ายังไงยัง ม, มีความสําคัญให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ใช้ได้นะ อย่างท่านพนาสัมมาระหังบ้างอิติสุกโตบ้างอันนี้ใช้ได้หมดแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าใช้ได้เลยไม่ผิดอาจจะมาขอเล่าเรื่องเมื่อตอนเด็กๆเอาเรื่องอาตมาเองนะเนี่ยเล่าเรื่องมาสู่กันฟังว่าความตายเข้ามาถึงไรหนแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นความตายครั้งที่สองเมือ่อยุติสองปีดีไหมดีนะฝันเคยตายยุทธไรวะยังนะ ยังก็รู้ว่าอาการตายไปยังไงจะเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ว่าตายครั้งแรกาอายุสามปีนะไม่รู้เรื่องอายุสิบสองปีเวลานั้นเขาไปโลกอหิวากันในเมื่อเห็นชาวบ้านเขาเป็นเขาตายกันมากอันดับแรกสุนัขบ้างไก่บ้างตายก่อนตายอย่างหนักต่อมาก็ควายตายหลังจากควายตายคนก็เริ่มเปรยหิวาคนก็ตายตายมาก ตามที่ทราบสองสามต้งบนร่วมกันในคนตายเป็นร้อยไม่ใช่ตายเป็นสิบเลนนะพระตามวัดหวาดวาดเสียงสุนัขขอนพยินเสียงสุนัขขอเป็นนว่าพระตามวัดต่างๆนอนกติรวมกันเบียดกันได้ไม่ร้อนนะหน้าร้อนน ะ, ะการกดขู่ผีต่อมาตะมาก็เริ่มเป็นฮิบ้างท้องถ่ายสามครั้งหมดแรงแต่ว่า พอท้อนถ่ายสามครั้งบัลลังลุงเทศเป็นหมอโยอมผู้หญิงก็ให้หมอให้ใ ห, ให้โยมอะไรให้ลุงมารักษาแต่นี้ขอเล่าเบื้องต้นก่อนว่านับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จาความได้โยมผู้หญิงถ้าเป็นนักภาวนาที่ว่าเป็นนักเจริญกรรมฐานเพราะเป็นลูกศิษย์หลงพ่ปาน <c oughs> ท่านกรรมวนาท่านพุทธโธก่อนจะหลับท่านนั่งสมาธิท่านถุกวันตอนนี้ลูกทุกคนเมื่อพอรู้เรื่อง ท่านก็บังคับว่าทุกคนก่อนจะหลับต้องภาวนาว่าพุทโธให้ท่านฟังสามครั้งคือไม่ใช่ภาวนาใช้พูดพุทโธพุทโธพุทโธนีดีไม่ดีเราอาจจะเป็นพุทโธพุทโธพุทโธแต่เราจะนอนสบายแม่บังคับให้ภาวนาใช่ไหมอาจจะลงท่านนั้นก็ได้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะคำว่าพุทโธจะมูกติเขไม่ได้ภาวนาแต่พอนอนปุ๊บแม่ก็บังคับใครยังไม่ภาวนาพุทโธบ้าง ว่าพุโทโธรำ ด, ดังให้แม่ฟังสามครั้งเราก็เอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพนานนะเขอาจจะเป็นพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่น่าจะบังคับกันเลยนะจิตนึกอย่างนั้นนะก็ทําอย่างนี้ทุกวันทําเมื่อทําเล่นทําอย่างเด็กจะ ถ, ถูกแม่บังคับต่อมาพอโตขึ้นหน่อยก็เป็นคนกลัวผีที่ยังมีเพื่อนมากแถวนี้นะมีนักกลัวผีบีไหม ไม่ในในในใกล้าพู ด, ดน <c oughs> <c oughs> ีก็เป็นคนกลัวผีในห้องจริงๆห้องของบ้านากลางวันไม่กล้าเข้าคนเดียวถ้าบอรเอิญมีก็โตลแล้วนะห้าหกขวบเนี่ยหกเจ็ดขวบคนนี้นะถ้าหากบอรเอิญแม่ใช้เข้าไปก็จําต้องเข้าเมื่อเข้าไปแล้วเวลาออกมาต้องถอยหลังออกกลัวผีมันจับหลังกลัวขนาดนี้นะเวลานอนเวลานั้นมงลวดมันยังไม่มีใช่ไหม ก็กางมุ้งธรรมดาก็ต้องทับตีนมุ้งให้มันหนักแน่นให้มันแน่นก็กลัวกลัวผีจะรอดข้ามาฉันว่าคนที่นั่งเนี่ยคนแค่ฉันไม่เคยมีอ่ะนี่กลัวขนาดนั้นไป ต, ตอนกลัวผีมามายมผูห้หญิงท่านทราบจะบอกเอานี่สิลูกเลยถ้ากลัวผีผีได้กลัวพุโทโธถ้านึกกลัวผีก็เอาภาวนาวะพุโทโธก็เอาตามนั้นแต่ก็ยังโกรธอยู่นะั่นแหละ ต่อมาเมื่อเป็นโรคอิวาถ่ายสามครั้งเออสัง เ, เกตอาการตายนะว่าคนตายมีทุกขเวทนาแบบไหนความรู้สึกของทุกขเวทนานร่างกายที่ไม่เท่ากันนฉันจะเล่าเรื่องความตายสามคืนติดต่อกันทีโ ค, คนตอนนะวันนี้ตอนที่หนึ่งก็ตายครั้งที่สองถือเป็นตอนที่หนึ่งเมื่อถ่ายสามครั้งท้องมันปวดมากข้างในร้อนจัดมีความร้อนสูง ท้องนี่ปวดมากขนาดผ้านุ่งขหมดธรรมดาไม่ได้รักเข็มขัก็ไม่ได้ต้องวางยิ่เฉยมาปวดขนาดนั้นแล้วก็ร่างกายก็เพลียหมดแหลงตาพระโยมหญิงเข้ามาบอกว่าลูกเอ้ยภาวนาพุทโธนะถ้ากับไปเอาพระพุทธรูปองค์ที่ชอบใจมีองค์ที่บ้านคือชอบใจองค์นั้นมากเอามาวางข้างๆด้านขวาตั้งให้มองเห็นง่า ย, ายๆแต่บอกลืมตาดูพระ แล้วก็ภาวนาวระพุท ธ, ธพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกหายป่วยแล้วบอกถ้าเราท้องมันปวดมากแม่แล้วก็ร้อนจัดมากถ้าบอกไม่เป็นไรฝืนใจนึกถึงธรมพุทธโธก็แล้วกันคราวนี้มันปวดมากมากก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็นึกถึงพุทธโธบ้างนึ ก, กออกบ้างไม่ออกบ้างอย่าไปคิดว่านึก แ, แต่ตลอดเวลานะในที่สุดไม่ชานักอาการมันปวดด้วยการร้อนใครตัว อาการคลายตัวนี่ความจริงคงจะไม่ใช่มันจะมันม่นแคบจะหายอาการมันหนักขึ้นนะแต่ว่ามันคลายตัวจิตเริ่มไปสุขรู้ว่าจิตเริ่มเป็นสุขจิตเริ่มสมบายสบายก็เห็นพุทธรูปใสขึ้นเมื่อใสานานๆเข้าทักโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่จุก็หน่ำข้นจะใหญ่เข้าพระประธานแล้วต่อมาเห็นชัดท้ที่สุดเห็นว่าพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์กลายเป็นคนนะก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหม รูปร่างแจ่มใสมากก็มองภาพรพระรูปพระพระเนี่ยที่เห็นน่ะท่านยิ้มมองแล้วก็เพลินไอตอนเพลินตัวนี้ไม่ทราบว่ามันออกไปจากตัวเมื่อไรในที่สุดก็ไปยืนอยู่อยนอกร่างกายมองเห็นร่างกายเ น, นี่ยมันก็ น, นอนสมนอนไม่กระดุกกระดิกนะมองดูสภาพร่างกายรู้สึกรังเกียจมากที่ร่างกายเต็ไมไปด้วความสุขสงบเพราะอะไรไหม ไอ้ตัวที่ไปยืนใหม่มันสวยกว่ า, าจาย์มันเป็นแก้วนะแต่ไม่ใช่แก้วเหล่านะไอ้แก้วคนยังไม่ใช่แก้วแต่น้าเนื่อมสีใสมันแก้วแล้วเสื้อผ้านุ่งกลางแก้เรียวกว่าผ้านุ่งก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีมันเป็นทองคําแล้วก็เนือนเน้อผ้านุ่งเนื้อผ้าเนื้อเสื้อเสื้อเนี่ก็เป็นมันเป็นประดับไอ้เพชรเน่ยคล้ายๆเพชรประดับแผลวาวสวยสดงามมาก ก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราอยู่อยู่นอกตัวมองดูร่างกายเดิมรังเกียจจัดต่านี้ก็นี่แค่ภาวนาว่าพุทธโธแบบไม่เอาไหนนะจะไม่ดีนะนี่เที่ยมมันจะมาไล่ฟังในถามพระท่านแล้วถ้าบอกเรื่องนี้ดีญาติโยมที่เจริญกรรมาฐานจะได้ทราบว่าทุกคนนั่นนงบนกันว่าทำจิตไม่สงัดบ้างท่าอารมณ์ไม่สงบบ้างใครก็จะ ม, ไมีไม่มีอานิสงส์ เป็นว่าผลที่ได้นี่ก็ไม่ใช่ฌานสมาบัติเป็นแค่คณิกาสมาธิทำบ้างไม่ทำบ้างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่เวลาที่มันจะตายยิงอารมณ์จิตมารวมสมาธิมารวมตัวในเมื่อมีสภาพแบบนั้นก็ยกแขนยกขาโดยมันเบาทุกอย่างมีการคล่องตัวทุกอย่างเห็นลุงกับโยมผู้หญิงกับญาติที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมคนไข้แต่เวลานี้เป็นผีไปแล้วนะต่างคนต่างก็มองดูที่ศพ เมื่อมองดูที่สศพต่างคนต่างคนนิ่งฉันก็เลยลำคาญใครก็ไม่พูดเลไปไปบอกโยอมผู้หญิงต้องลาท่านหยัดลงร่า ง, างท่านก็ไม่ยอมพูดด้วยจับตัวเขายา่าท่านก็ไม่รู้สึกในที่สุดก็คิดว่านในเมื่อไ ม, ไม่มีใครสนใจกับเราเราก็ลงล่างดีกว่าได้ลงจากบ้านไปยืนอยู่หลังบ้านที่หลังบ้านเป็นทางเดินผ่านทางยาวมากติดต่อหลายจัง บ, บน พอยืนหลังบ้านก็มีอารมณ์โปร่งมองไปดูด้านทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางด้านท้ายมือเห็นคนเดินมาเป็นแถวประมาณ200คนเสร็จแล้วก็มีคนตัวใหญ่ๆสี่คนสูงมากตัวใหญ่มากไม่ว่าคนที่เดินตามมา2องคนเสร็จทางหัวนะั้แค่เอวท่าเองก็สงสัยว่าคนทั้งหมดที่เขาจะไปไหนกัน ในเมื่อเขาเดินมาใกล้พอถึ ง, งหน้าก็ไปยกมือไหว้คนที่นำหน้าถามว่าคุณลุงครับคุณลุงจะไปไหนครับไปกัมากมายแบบนี้คุณลุงฟังแล้วคุณลุงก็ไปตอบตามคำถามแกเปิดบัญชีพับแกบอกไอ้หนูเองไม่มีในบัญชีไปไม่ได้แกก็เลยผลักค่อยๆรุนให้กลับเข้าบ้านเรานึกในใจว่าอีตานีมันเป็นยังไงเราถามอย่างหนึ่งแกทําอย่างหนึ่ง ่็ยังคอยอยู่คนกลางเข้ามาถึงก็ถามเท่าแบบบอกแบบนั้นหมดเหมือนกันทั้งทั้งคนสุดท้ายได้คิดในใจว่าถ้าพวกนี้ไปไหนถ้าเราไม่รู้เราจะไม่ยอมกลับบ้านจะตามไปในที่สุดเขาเดินห่างไปประมาณกิโลอย่างมากเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็ค่อยๆเดินตามเขาไปเดินตามไปเดินปัไปในที่สุดเข้าป่ารก เข้าป่าก็เดินตามเข้าไปขึ้นเขาเล็กลงเขาเล็กขึ้นเขาใหญ่ลงเขาใหญ่ล ห, ญหลายครั้งรู้สึกว่าไปลาบากมากในที่สุดออกมาทังด้านทิศตะวันออกเสียงเหนือก็มีเขาลูกใหญ่ยาวเหยียดสูงมากเขาขึ้นไปแล้วก็เดินตามขึ้นไปพอขึ้นไปถึงยอดเขาคนหน้าใหญ่เขา ก, กางมันชีตรวจคนคนก็ผ่านลงผ่านลงผ่านลงในที่สุดก็บอกครบ พาอบอกครบฉันโผล่ไปพอดี <c oughs> เราเป็นคนแถมก็ถามให้หนูมาทำไมก็บอกว่าผมถามคุณลุงแล้วครับว่าคุณลุงไปไหนกันแต่คุณลุงไม่ตอบผมก็มีความสงสัยตใใามนสัยก็ผมถ้าสงสัยไม่ได้ต้องเอาให้รู้ให้ได้ในชะ่เป็นเนใสัยเดมิมเตงก็เลยบอกว่าขึ้นมานี่ที่ขึ้นไปยืนยอดเขาก็ท่านท่านอาชีพไปด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีอาคารสามหลังมีคนเนดินเดินเป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มประมาณที่ร้อยคนเศษ็จสองร้อคนเศษแต่และกลุ่มมีคนตัวใหญ่ๆถือเงาวบ้างถือหอกบ้างแต่และคนคุมอยู่กลุ่มละคนแล้วคุณลุงก็เลยบอกว่าดินแดนโน้นอาคารสามหลังเป็นที่ของพญายมแล้วถามได้ว่าต้องทาไมพญายมทําอะไร แต่บอกมีหน้าที่สอบสวนคนที่ตายมาแล้วและคนที่ยืนเป็นกลุ่มๆ ม, มันหลายกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มเดียวสองกลุ่มมันเกินสิกลุ่มมากเหลือเกินแต่บอกว่าคนพวกนี้เมื่อไหม่ก่อนโน้นเคยทําบาปประกุลมาแล้วตกกรกมาแล้วเป็นเปรตไปสุรกายมาแล้วตอนนี้มาเกิดเป็นคนก็ไม่ประพฤติตนเป็นคนดีก็ต้องลงโทษนํามาลงโทษกันใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากจะไปไปดูใกล้ๆได้ไหมครับ ท่านก็นเลยบอกว่าไม่ได้ไล้หนูก่อนที่เอองจะตายที่เอองภาวนาว่าพุโทโธใช่ไหมท่านบอกว่าคนที่ภาวนาว่าพุโทโธก็ดีอรหังก็ดีเวลานั้นตะ บ, บนนั้นขณิยมสองอย่างบางคนก็พุโทโธบางคนอรหังถ้าความจริงจริงแล้วย่างไหนก็ได้เหมือนกันนะคนที่ภาวาก่อนจะตายภาวนาว่าพุโทโธอรหังก็ตามอย่างนี้ลุงให้ลงไปไม่ได้ถ้าลุงปล่อยให้ลงไปลุงมีโทษเออ ความจริงก็น่าคิดนะแล้วก็ใช้ได้นะคาถาคาถากันนรกอยู่นะแต่อย่าลืมว่าการภาวนาของฉันตอนนั้นก็ภาวนาอย่างเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างเต็มใจก็น้อยเต็มทีใช่ไหมไดเเเ้เป็นการแนะนําการพัดจะบอกเอาเรื่องนี้เป็นแนะนําจะดีมีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดการเจริญภาวนาของวันใดญาติโยมพุษษทธสัตว์อันดับต้นอย่างต่ำที่สุดการร้ไว้ก่อนก็บอกแล้วนะ ในเมื่อท่านบอกว่าลงไปไม่ได้ที่นั่นท่านจะมีโทษถ้าปล่อยลงไปก็เลยบอกท่านว่าผมอยากจะดูครับมันมีอะไรบ้างถ้าบอกดินแดนต่อไปนี้ชี้เปด้านทิ่ตวันออกไกลมากไม่ใกล้กันนะแต่ดินแดนเขาว่ายอายมที่อยู่เป็นดินแดนแห่งจารุภาราชเป็นสวรรค์แต่ด้านไกลไปด้านทิศวันออกเรียกว่าเป็นพื้นราบต่าลงไปหน่อยมีแสงไฟจับทองฟ้าบริเวณกว้างมาก ท่านบอกนั่นดินแดนนรกก็มีคนบางกลุ่มออกมาจากสำนักพญายมจากอาคารถ้าดินเดินไปทางนั้นท่านบอกพวกนี้ไปนรกแน่คนที่นำหน้าเป็นนายนรัฐบาลต่ว่าหนูลูกไปดูไม่ได้แค่นี้นะอย่าไปอย่าพัานไปถ้าผ่านเขตนี้ไปลุงมีโทษก็เลยถามว่าผมไมอยากจะดูนรกท่านบอกเอาวันหลังก็อะไรกันวันหลังมาใหม่ เมื่อตั้งใจจะมาไม่ต้องทําอะไรมากนึกถึงพุโทโธว่าพุโทโธทักสามครั้งตามที่แม่สอนแม่หลักสูตรแม่นี่ดีนะเองว่าพุโทโธตามแม่สอนสาครั้ง น, นึกว่าจะมาหาลุงตรงนี้จะมาถึงทันทีก็เป็นอ น, นว่าตอนในวันนั้นต่นมาฉันไปที่นันได้โดยพุโทโธนะแล้วต่อมาก็ไปที่ตรงนั้นนึกถึงท่านนึกถึงลุงนึกถึงภาวนาว่าพุทโธแท้เรียกลุงก็งจริงจะแท้เรียกเสียก่อน พอคิดว่าจะไปตัวนั้นมันถึงเลยมันก็ไม่รู้ไ ม, ไม่วุบไม่วับรู้สึกตัวก็มาถึงตัวนั้นแล้วแล้วไปถึงตัวนั้นก็เป็นคนเดียวก็นึกถึงว่าลวงอยู่ที่ไหนเคยสั่งไว้เขา อ, อยากจะพบหลวงลวงก็มาถึงพอมาถึงแล้วอยากจะดูนรกคุ้มไหนถ้าทําให้ดูเห็นใกล้ๆเหมือนเรานั่งอยู่ข่าวขอบปากนรกเห็นชัดทุกอย่างต่อมาก็อยากจะดูสวรรค์อยากจะดูเทวดาอยากจะดูนางฟ้าอยากดูพรก็เห็นหมด กรงความว่าสมัยนั้นตั้งแต่เด็กมาจน่านยันบวชเที่ยวได้แค่นั้นไปไหนก็ไม่ได้ไปได้แค่นั้นตามที่ท่านสั่งกรมได้วยความว่าเออแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ไกลับเลนะย่องเลาเรียงกลับไปแล้วก็เป็นนั้นว่าในเมื่อลุงบอกแบบนั้นว่าไปไม่ได้ค่อยกลับไปเดี๋ยวร่างกายเขออยาจะเผาไปไประเดี๋ยวเดียว ใ, ใช้เวลาในเมืองมนุษย์จริงแปดชั่วโมง พอกลับมารู้สึกว่าคําแล้วตอนที่จะกลับแล้วไม่ได้เดินมาเองเขาบอกให้หนูกลับไปได้กันเลยบอกผมจําทางไม่ได้ครับเขาก็เลยเรียกคนท้ายคนหลังสุดบอกไอ้นี่มึงไม่ระวังปล่อยเด็กตามมามึงเอาเด็กไปส่งไมอีตานั่งแกก็โมโหทีแม่บอก่อหาเจ้าเสือตามมาทําไมกูให้กลับแล้วไม่กลับแกคว้าสองขาได้เวียงตัวขึ้นบา่าแกวิ่งหน้าดู วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาผ่านปา่าแกวิ่งมายั่งตัวเมีกงพักเดียวถึงบ้านพ อ, อมาถึงบ้านก็มีความรู้สึกว่าถึงประตูบ้านแกแต่จับตัวข้าตั ว, ตวพุ่งเข้าประตูไอ้หาเจ้าไปพอเข้าประตูก็มีความรู้สึกตัวขึ้นฟื้นพอฟื้นขึ้นมาแล้วปลาก็ลืมตาขึ้นมาเห็นคนเห็นพระพระเล่นตะเที่ยวแล้ว <c oughs> เสียท่าฟ้านฉันจะ์วชไปสืบกนะันแก้ตัวนี่เพราะส่วนอภิธรรมรอดเที่ยวราจารย์เอาไปแล้วอดีตเจาสังฆาลาไปเที่ยวเนี่ยเสียตังไปรอบนึงเสีาพระหลังจากนั้นมาก็ไปเที่ยวได้ทุกวันจะได้แค่นั้นนะตอนนี้การที่จะไปเที่ยวที่อื่นได้หมดได้ต่างๆที่ต่างๆ ต, ต, ต, ต้องอาศัยเมื่อบวชแล้วฝึกกระพนัน ก, การที่นําเรื่องนี้มาพูดบรรดายาโยงพุทธบริษัทฟังก็ถือว่าตะกอนกอนเคยนําเรื่องในธรรมบทมาพูดในฟังท่านอาจจะสงสัยตอนนี้มาเรื่องเนี่ยจะมาผ่านมาเองไม่ใช่ฌานสมาบัติมันเป็นเรื่องตายจริงๆตายด้วยอวิอาวาตเกะโรคแม้ต้องทุกคนขอมีก็มีหลายๆคนบอกว่าการภาวนาเขายาภาวนาใกล้ตายอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยต้องทําให้ชิน ต้องฝึกการภาวนาในขั้นแรกที่ยังไม่เป็นไรนี้ให้มาชินก่อนแต่การภาวนาจะนึกว่าต้องได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นนักจิตจะเครียดถ้าไปคิดอย่างนั้นจิตจะเครียดถ้าจิตไม่ถึงฌานอารมณ์ฟุ้งซ่านเสียผลไดาคิดว่าภาวนาแค่อารมณ์สบายการภาวนามีอะไรบ้างท่านนึกจะอื่นไม่ออกกรรมฐานมี40สกองในบทภาวนาก็มี40กองเหมือนกัน ถ้าจะถามว่าบทภาวนามีเท่าไรก็ต้องต่อมีพันอย่างกว่าไม่ใช่ร้อยอย่างนะจะภาวนาว่าอย่างไงก็ตามไม่ใช่พุโทโธไม่ใช่หลังก็ได้ <c oughs> แต่ว่าก่อนภาวนาจิตใจมีความเคารพในพทะเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนึกถึงพระเจ้าเป็นสำคัญยอมรับนะับถือพระเจ้าแล้วก็ภาวนาจิตเป็นสุขเอาแค่จิตเป็นสุขถ้าเวลาจิตมันพุ่งสร้างขึ้นมาคุ่มลมมาอยู่ก็เรื่องเสียฝื้น แล้วการเจริญภัฒนาความไดยาติโยมพุทธบริษัทก็อย่าตั้งเวลาถ้าตั้งเวลาว่าเราต้องการสิบนาทีบ้างยี่นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้า ง, างตอนนี้บังเอิญถ้าทําไปจิตใจมันเฟื่องอารมณ์โฟจิตใจฟุ้งซ่านคุมไม่อยู่แล้วก็ถือว่ายังไม่หมดเวลาเราเลิกคนได้ตอนนี้อารมณ์จะคลุ่มถ้าปล่อยคลุ้มบ่อยๆอย่างนั้นจะเป็นโรคเสื่อมประสาทอย่าฝืนนะ เอาแค่พอจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายๆในเมื่ออารมเฟื่องคุมไม่ไหวแล้วก็เลิกเอาไว้เวลาหลังต่อไปเอ็การฝึกถ้าจะให้ดีนะญาโยมนะเอาก็ให้เป็นเวลาจะเพราะเวลาที่ว่างจริงๆนั่นคือเวลานอนใชถ้าศารีรษะถึงหมอนก็ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธ ใ, ใจออกในะวัโทนี่ตัวอย่างนะ อย่าลืมว่าคำภาวนาถ้าคล่องแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจิตจะพุ่งสั้นอย่างไหนก็ได้อันดับแรกคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระ อ, อะรอะสงค์ด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็ภาวนาสมมติว่าโานาพุพโธให้ใจเข้าพุทธ ใ, ใจออกโธนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าพุทธ ใ, ใจออกโธนับเป็นสองกรองความทาอย่างนี้สิครั้ง เราจะภาวนาอย่างนี้นักน ก, กังเลพาใจเขาออกสิบคู่เป็นสิบครั้งด้วยกันก่อนจะหลับต้องทำให้ได้ทุกวันสิบครั้งถ้าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ ย, ยังไม่ต้องลุกจากที่เพราะสมาธิก่อนหลับยังทรงตัวภาวนาว่าพุทธโธอย่างนี้สิบครั้งแล้วก็เลิกไปเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธริสัชถ้าทำทุกคืนนะจะมีสมาธิแค่ไหนไม่ต้องห่วงไม่มีความจาเป็น เพียงแค่นี้เวลาก่อนนี้ท่านจะตายสมาธิทั้งหมดที่ทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างรวมตัวบ้างไม่รวมตัวบ้างสมาธิจะรวมตัวกันทั้งหมดเวลาใกล้จะตายก็เหมือนเหมือนอาตมาที่ก่อนจะตายจริงๆตอนตอนก่อนวันมันปวดท้องมากขนาดที่กหมดผ้าไม่ได้เข้มขัดก็รัดไม่ได้คาดไม่ได้ของหนักวางขนาดความหนักขนาดเข้มขัดเนี่วางมันท้องไม่ได้มันเจ็บมากแก็ร้อนจัด ถ้าผ้าวางเฉยๆก็คุยธนานนะักแตนี้ในเมื่อโยมยืนได้บอกฝืนใจภาวนาลูกฝืนใจดูพระดูพระจําได้ก็หลับตาเช่นนึกถึงภาพพระนึกพระพุทธรูปนะพอเดี๋ยวๆอารมณ์มันก็คลายอาการเครียดมันคลายตัวอาการปวดคลายลงความร้อนใครตัวลงคลายตัวลงในที่สุดไม่รู้สึกปวดท้องไม่รู้สึกร้อนจิตเป็นสุขเวลานั้นสมาธิทรงตัวมาก จนทั้งเห็นพระพุทเห็นภาพพระรูปลหลับตายเห็นนะหลับตายเห็นภาพสันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นมากมาที่สุดพระพุทธรูปกลายเป็นคนคือพระพุทธเจ้าได้เห็นมอาการยิ้มพอรู้สึกว่าท่านยิ้มปั๊บก็ออกไปยืนนอกตัวนั่นแสดงว่าขณะที่เราภาวนาอยู่ครั้งแรกจิตยังไม่สงบพอนี่อาศัยอาการฝืนเล็กน้อยแต่ว่าตามธัรมดาเขาบอกอย่างนี้นะคนเราธาตาย ถ้าอยาไปนรกทุกเวทนาไม่คลายตัวมันจะร้อนเจะกลุ้มจะปวดยันตายดิ้นไปดีมาตายถ้าคนถ้าอยาไปสวรรค์เึ้นไปเวลาเวลาป่วยหนักๆจะเครียดๆปันจะมีอาการมากพอใกล้จะตายสักสิบนาทียี่สิบนาทีอาการจะคลายตัวจะมีอารมณ์สงบจิตจะเยือกเย็นในคนประเภทนี้ถ้าตายแล้วมีอาการยิ้มเพราะก่อนตายเห็นภา พ, หภาพ เ, าเห็นภาพเทวดาเห็นภาพพรหมรับ แต่กขาฉันไม่เห็นนะเห็นนภาพพระแต่วาพระสวยมากจตยิ้มแย้มแจ่สายจิตเขสดชื่นก็มวมความว่าวันนี้ก็คันแข้งแค่แนะนำกันขั้นขนิการสมาธิเบื้องตน้นว่าเป็นสมาธิที่เล็กน้อยจริงๆตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจก็ไม่ตั้งใจจริงตั้งใจว่าให้แม่ฟังคำวัพุโทโธสามครั้งก็ตามบังคับอย่าลืมนะ รายการในสองจะตั้งใจภาวนาบ้างค ข, ขณะที่กลัวผีพอกลัวผียิงภาวนาก็เป็นว่าการเจริญสมาธิแบบนี้ไม่มีความตั้งใจจริงนักแต่จําใจจําเป็นต้องว่าทั้งๆ ท, ที่จําใจจําเป็นต้องภาวนาเพะนั้นตายยังสามารถยังไม่ลงนรกได้แต่ว่าอุตส่าห์เดินทางเข้าไปนรกนะ <c oughs> ไม่ใช่ก่อยน ะ, ะต่อนนี้ไปก็ขอญา ต, ติโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน